สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิทพระเยซูตอนที่สองเสเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่ห้าสิบสองขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบลงตรงที่ว่าความบาปนั้นทำให้เกิดความยุ่งเหยิงยุ่งยากความบาปนั้นก่อเกิดปัญหาความบาปนั้นนำมาซึ่งคาสาปแช่ง ความบาปนั้นโจมตีเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้รกระชัดวิตกล่าวว่าข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปความบาปนั้นพระเจ้าอนุญาตให้มันมีอำนาจเหนือชีวิตของคนในโลกนี้ปกครองจิตใจของมนุษย์ทุกคนพระเจ้ายอมปล่อยให้ความบาปควบคุมจิตวิญญาณของมนุษย์ในช่วขณะหนึ่ง และเชื้อของความบาปนั้นเราเห็นได้ชัดว่ามันได้แพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายความบาปนั้นเป็นอำนาจของความเสื่อมทรามนํามาซึ่งความแก่ความเจ็บป่วยและในที่สุดความตายความบาปนั้นทำให้มนุษย์นั้นพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคพ่ายแพ้ต่อความเจ็บป่วยพ่ายแพ้ต่อตัวเองพ่ายแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมและพ่ายแพ้จนนาไปถึงความตายในที่สุด หากว่ามนุษย์คนนั้นไม่กลับใจครับก็จะนำไปถึงการที่ภาคสาและสถานที่ที่คนเหล่านี้จะไปก็คือบึงไฟนรกตลอดชั่วกับชั่วกันชั่วนิรันดรพี่น้องครับความบาปนั้นยังเป็นสาเหตุทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นถูกการแยกขึ้นมาทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นเกิดมานั้นจิตวิ ญ, ญญาณของเขาก็ตาย ความตายนั้นหมายถึงการแยกความบาปเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตสมรสของคู่สมรสหลายๆคู่ต้องแตกแยกครอบครัวหลายๆครอบครัวก็ต้องล้มเหลวมิตรภาพระหว่างกันและกันของเพื่อนมนุษย์เพื่อนรักกันนั้นก็ต้องแตกร้าวเกิดการทะเลาะ บ, บอ่อแวงเกิดความเจ็บป่วยเกิดความเจ็บปวดเกิดความเศร้าโศกเกิดการทุ่มครวนเกิดความทุกข์ทรมานและนําไปถึงความตายในสุด พี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าความบาปนั้นเป็นมูลรากหรือเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหลายปัญหาชีวิตทั้งหลายของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ประหลาดใจนะครับโยชูวาบทที่เจ็ดข้อสิบสองได้บอกว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายโยชูวาบอกว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายมันเปรียบเส ม, มือนกับพิษของงูครับมันเปรียบเส ม, มือนกับกลิ่นไอของความตาย และเป็นเรื่องน่าสลดใจที่ลําพังมนุษย์เองนั้นไม่สามารถจะต่อสู้กับความบาปด้วยตัวเองได้เลยที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นการบังคับตนไม่ว่าจะเป็นการทำสะสมคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนในระดับต่างๆไม่สามารถที่เอาชนะความบาปได้ครับ ไม่อยู่ทางเดียวครับก็คือพึ่งในพระคุณความรักขององค์พ่อผู้เป็นเจ้าในพระเยซูคริสต์และมีอีกทางหนึ่งก็คือการที่เราจะพึ่งในฤทธเดชของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่จะควบคุมตัวเองซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนึ่งก็คือเซลฟ์คอนโทรลหรือการควบคุมตัวเองครับพี่น้องครับยามีกล่าวว่าคนเอธิโอเปียจะเปลี่ยนวันณะของตนได้หรือหรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้หรือถ้าได้แล้ว เจ้าทั้งหลายผู้เคยต่อการกระทำความชั่วจะมากระทำความดีก็ได้พี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความบาปนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝังตัวอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตวิ ญ, ญญาณของมนุษย์ไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่คนดำนั้นจะเปลี่ยนผิวของตัวให้มาเป็นคนขาวมันเป็นไปไม่ได้ครับในขณะเดียวกันเสือดาวก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลายจุดของมันกลายเป็นลายทาดกรอนได้ พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นคนบาปนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนถึงมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนถึงมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการและด้วยเหตุนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าความบาปนั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ครับความบาปนั้นครอบงําความคิดของมนุษย์โรมบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเอ็ดเชื่เราเห็นนะครับว่ามนุษย์นั้นมีความคิดที่เลวทรามเป็นความคิดที่ตกอยู่ภายใต้ความชั่วร้ายและราคะตัณหา สิ่งเหล่านี้ครอบงำความคิดของมนุษย์ครับความบาปนั้นยังครอบงำไม่เพียงแต่ความคิดครอบงำเจตนารมเจตจานงของมนุษย์ด้วยในพระธรรมเยเรมี44มนุษย์จะทำความชั่วร้ายเพราะเจตนารมเจตจานงความตั้งใจของเขานั้นถูกควบคุมโดยความบาปพี่น้องครับทัศนกติท่าทีเจตจานงเจตนารมของเรานั้นถูกบาปครอบงาครับ เมื่อถูกบาปครอบงำเราไม่สามารถที่จะทําความดีได้เราทําได้แต่ความชั่วร้ายและความดีที่เราทาที่เหมือนกับจะดีนั้นก็ยังดีไม่พอเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานและน้ำมันไทยของพระเจ้าประการต่อไปครับประการที่สาความบาปนั้นครอบงํำอารมณ์และความปรารถนาของมนุษย์พี่น้องครับผมอยากจะทบทวนนะครับความบาปนั้นครอบงาความคิดประการที่หนึ่งความบาปนั้นครอบงาเจตจำนงเจตนารมณ์ประการที่สอง ความบาปนั้นครอบงําอารมณ์และความปรารถนาเป็นประการที่สามกล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อสิบเก้านะครับพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อสิบเก้าบอกว่ามนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างนี่ชัดเจนนะครับมนุษย์นั้นเรามีธรรมชาติบาปของเราและธรรมชาติบาปนั้นทําให้เรารักสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เป็นของฝ่ายมืดนะครับมากกว่าสิ่งที่เป็นของฝ่ายความสว่างนี่น้องครับนี่คือ ประการที่สามประการที่สี่นะครับความบาปนั้นทําให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานครับความบาปทําให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานเป็นประการที่สี่ในพระธรรมเอเวซัสบทที่สองก็ที่สองกล่าวว่ามนุษย์ถูกชักนําโดยเจ้าแห่งย่านอากาศครับคําว่าเจ้าแห่งย่านอากาศนั้นก็คือมารซาตานและสมุนของมันหมายถึงใครครับหมายถึงวิญญาณที่ครอบครองในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังที่นี่พูดชัดนะครับว่า คนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฝังนั้นเขาตกเป็นทาสหรือเป็นบาวของมารซาตานนะครับเป็นคนใช้ของมารซาตานเป็นคนที่รับใช้มารซาตานเพราะเขาถูกวิญญาณชั่วที่ครอบครองอยู่พี่น้องครับขณะที่เรากลับใจเสียใหม่นะครับเราได้หลุดออกจากการถูกผูกมัดหลุดออกจากการอยู่ใต้อํานาจ หลุดออกจากทาตของมารซาตานหันมาเป็นไทยครับก็คือเข้ามาสู่ร่มพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยเห็นนี้เองเราหลุดออกจากทาตเป็นไทยครับเมื่อเราหลุดออกจากไทยนะครับเราหลุดออกจากทาตมาเป็นไทยแล้วเราก็อาสาที่จะเป็นทาตสมัครของพระเจ้าต่อไปทีนี้ครับจากทาตของความมืดนะครับ เรากลายเป็นทาสอาสาทาสอาสาคือด้วยความสมัครใจทาสสมัครของความสว่างก็คือเป็นผู้รับใช้พระเยซูพี่น้องครับมาถึงจุดนี้นะครับผมอยากจะหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสทบทวนและเข้าใจถึงอํานาจของความบาปอํานาจของความบาปที่ครอบครอบงํามนุษย์อยู่ ครอบงำในด้านความคิดครอบงำในด้านเจตจำนงเจตานาอารมณ์ครอบงำในด้านอารมณ์ความรู้สึกและความปรารถนาครอบงำโดยให้มนุษย์ตกเป็นทาสของมารซาตานถูกมารซาตานมันควบคุมถูกเจ้าแห่งย่านฝ้าอากาศนั้นควบคุมพี่ั้องครับเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สามได้บอกว่าความบาปทําให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าครับนะครับความบาป ทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้พระบีโรดของพระเจ้านี่เป็นประการที่ห้าครับพระเจ้านั้นยอมให้มนุษย์ทำบาปยอมให้โอกาสให้มนุษย์กลับใจแต่มนุษย์นั้นไม่กลับใจมนุษย์ยังคงทำบาปอยู่เรื่อยๆถามว่าพระเจ้าทาไมยอมให้มนุษย์ยังทำบาปอยู่เพราะพระเจ้านั้นทรงประทานโอกาสเนื่องจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์มนุษย์ทุกคนนั้น ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างเขามามนุษย์ทุกคนนั้นไม่ว่าจะยาก ด, ดีมีจนจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนชั่วร้ายจะเป็นคนที่ดูเหมือนชอบทมหรือจะเป็นคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนบาปหนาบุคคลทุกคนนั้นพระเจ้ารักเขาพระเจ้าทรงรักโลกหมายความว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนที่อยู่ในโลกครับพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายทุกคนได้หันกลับ และกับใจเสียใหม่เพื่อที่จะเว้นจากการพิพากษาและออกรอดจากการพิโรธของพระเจ้าความบาปนั้นทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความทุกข์ยากครับโยบกล่าวไว้ในบทที่ห้าข้อที่เจ็ดบอกว่าแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความยากลาบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนคำว่าประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนนั้นก็คือกฎครับ ปกติแล้วกฎแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นทุกอย่างต้องตกลงมาแต่ความร้อนนั้นมันลอยขึ้นครับเพราะฉะนั้นตะกายไฟปลิวขึ้นข้างบนอันนี้คือเป็นกฎของการลอยขึ้นมาการลอยขึ้นมานั้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เกิดมานะครับกฎของมนุษย์นั้นก็คืออะไรครับทุกครับกฎที่ต้องเกิดขึ้นกฎเกณฑ์ที่ต้องเกิดขึ้น เมื่อมนุษย์เกิดมาก็คือทุกคนจะต้องเจอกับทุกขเจอกับความยากเจอกับความลําบากเจอกับความเจ็บป่วยนะครับเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสิ่งที่เป็นอนิจจาอานิจจังที่เป็นชีวิตของมนุษย์พี่น้องครับถามว่าเกิดจากอะไรสรุปก็คือว่าเกิดจากความบาปครับเกิดจากความบาปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากกันในเช้าวันนี้ ผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสสารภาพบาปครับสารภาพบาปส่วนตัวในใจคิดใขว้ครวญว่ามีอะไรที่เราทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การครอบงาความคิดจากความบาปมีอะไรที่เป็นค่าทีเจตจำนงเจตนารมณ์ของเราที่ถูกบาปครอบงําอยู่อารมณ์ความรู้สึกในบางด้านบางจังหวะบางเวลาของเรานั้นก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงาของความบาปและ หลายเลยทั้งทีเดียวเราปล่อยตัวเองให้อยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อนะครับและความบาปก็อเกิดความทุกข์ยากในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายหลายเลยทั้งทีเดียวต้องกลับมาไข่ครวนเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากเรามีชีวิตอยู่ในความบาปหรือเปล่าครับเราทาบาปอะไรหรือเปล่าครับหรือเรา มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเตือนโดยใช้ความทุกข์ยากลําบากเพื่อเรากลับใจหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับเราจะต้องให้ควรพิจารณาในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราหลุดออกจากอํานาจมืดวิ ญ, ญญาณชั่วการควบคุมของความบาป ก, การครอบงำของความบาปให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มแห่งพระคุณความรักและอาสาที่จะเป็นธาตสมัคร ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมน